แสงจันทร์ชวนใจค่ะคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนาวกองไฟสุมขวายตามคอคงยังไม่หมดดาบดอกจันเอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเปล่าโอมไปไอ้แร่ พัดไหลความเยือกเย็นหนาวไอพี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย มไวายที่เราจากมาลงเดิช่วยเป็นสือหายนำรักห่วงจากห่วงใจของขานี้ไปบอกข้าวน้ำนาให้เมืองไทยรู้วา่าไม่นานบุพี่จากมาจะไปสบหนาแทนบกแม่เอิ้ กวงใจบอกพานี้ไปบอกขขาวน้าหนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกพี่จากมาจะไปสุดหน้าแถว คับท่านฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยติดตามข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้ต้องติดตามการยกร่างรั n g รัมนูญของกรรมธิการนะครับซึ่งกําลังมีการยกร่างกันอยู่แล้วก็ในส่วนของสปชและก็กรรมธิการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดมีเวทีระดับอําเภอระดับ จังหวัดระดับภาคนะสลับกันไปก็สามารถที่จะไปแสดงความเห็นนะครับแต่ในประเด็นต่างๆในรัฐมนูนได้ในเวทีที่เปิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีดรบวรศักดิ์อุ่นโเป็นประธานก็มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกรอบการภิปรายรัฐธรรมนูญ ร่างแรกนะครับที่จะส่งให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชพิจารณาก็มีการกำหนดบอกว่าในช่วงวันที่20ถึง26เมษายนนี้นะครับก็จ ะ, ะให้ในส่วนของสมาชิกสปชเนี่ยได้อภิปรายได้พิจารณานะครับซึ่งก็สามารถที่จะอภิปรายรัฐมนูล่างแรกได้รวม6วันครึ่งนะครับซึ่ง เบื้องต้นการอภิปรายวันแรกคือวันที่20เมษายนก็ขอให้เป็นการอภิปรายในภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก่อนแล้วจะค่อยลงรายละเอียดในหมวดต่างๆนะครับซึ่งก็ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็จะใช้เวลาอภิปรายนานที่สุดนะครั บ, นะรบแล้วก็มีการคาดการันว่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนายคำนวนสิทธิธสมานซึ่งเป็นโฆษก คณะกรรมกา ร, าการยกระด้างคำนวณก็ชี้แจงต่อที่ประชุมบอกเท่าที่คำนวณเวลาอภิปรายก็จะมีเวลารวมทั้งสิ้น79ชั่วโมงก็แบ่งเป็นคณะกรรมกา ร, าการยกร่างชี้แจง15ชั่วโมงแล้วก็ให้เป็นตัวแทนของกรรมธิการปฏิรูปทั้ง18คณะนะของของสอบชก็จะส่งตัวแทนคณะละสคนขึ้นอภิปรายก็จะให้เวลาคณะละสชั่วโมงรวมเป็น36ชั่วโมงที่เหลือก็จะให้เวลาสบชที่ ไม่ได้เป็นตัวแทนนะของกรรมธิการอีก155คนได้พิปาย28่ชั่วโมงก็เฉลี่ยก็จะได้เวลาพิปายคนละ10นาทีนะแล้วก็จะควรจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้มันอยู่ในกรอบนะครับนะในการอภิปรายซึ่งตรงนีน้ก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของนายคำนวณสิทธิทสมานโคศกของคณะกรรมาการยกล่างก็บอกว่า ในส่วนกรรมธิการก็ไม่หนักใจในเรื่องที่มีเสียงสะท้อนอของสมาชิกสปชบางคนเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของนายกองตรีนะครับซึ่งในคณะกรรมกา ร, ก ร, การยกล่างนี่ก็มีการทกเถียงกําหนดไว้3แนวทางก็คือ1 ห, หากนายกมงตรีมาจากคนนอกก็จะต้องอะจะมาได้ต้องเกิดสถานการณ์พิเศษแต่ก็จะต้องมีการนิยามอ วิกฤตการหาทางออกว่าเป็นอย่างไรหรือข้อ2ประเด็นที่2เนี่ย จ, จะใช้วิธีกําหนดให้นายกคนนอกมีเวะลาสั้นกว่าปกติคืออาจจะ2ปีหรือ3อาจจะต้องใช้เสียงในสภามากกว่าปกติคือ2ใน3นะครับนะในการที่จะเลือกนายกคนนอกเพราะนั้นต้องฟังเสียงจากสปชก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นนะที่แตกต่างกันนะครับส่วน ดรสมบัติทำรงทัญวงศ์ประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองของสปชก็มีการกล่าวบอกประเด็นที่คณะกรรมา ก, ก, กมารกรรมธิการปฏิรูปการเมืองจะเสนอแนะก็มีมากกว่า30ประเด็นซึ่งมีการจัดรูปแบบโครงสร้างทางการเมืองใหม่อย่างเช่นที่มาของนายกอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนรัษฎรการได้มาถึงสมาชิกวุฒิสภาอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็จะมีการอภิปรายกันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงดังกล่าวนะที่ให้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งทั้งฉบับในช่วงวันที่ 20-26 เมษายนศกนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูกันต่อไปส่วนท่าทีของกกตนีน่ยนสมชัยศรีสุธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็บอกว่าในเรื่องในประเด็นที่ เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของโอเพนลิสต์คือการที่เปิดให้ประชาชนได้ลิสต์รายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเองนี่ในสมชัยก็พยายามที่จะดูเทียบเคียงว่าประเทศไหนที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแบบเปิดหรือโอเพนลิสต์ซึ่งปรากฏว่าเท่าที่ค้นดูนี้ไม่มีประเทศใดที่ทำแบบนี้นะถ้าเราคิดจะทำก็จะเป็นประเทศแรกเป็นประเทศเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ แล้วนอกจากนี้ดิการที่จะให้อำนาจประชาชนในการลิษย์ลายชื่อได้เองนะครับในบัญชีรายชื่อที่เลือกนี่ อ, อาจจ ะ, ะเป็นจุดอ่อนก็คือประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีนะฮะ จ, จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้ น, นตรงนี้อยากให้กรรมธการยกล่างคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันการเลือกตั้งแบบสสแบบบัญชีรายชื่อแบบเปิดโดยผลิตนะซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู่ครับยังไม่ได้ข้อ สรุปเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเลือกตั้งต่างๆก็คงจะต้องรับฟังกันต่อไปนะครับมารับฟังเพลงก่อนครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับ สอมบิรงกับน้องโสมใจจะขอไฟฟันแต่นางเดียวบอขอของเกียวยิ่งอื่นได้ได้แต่ลงไหลฟไฟฟัานใจบ้าโอมภูลาบสวา ปากสั้นดี่ยไฟฟันไม้ปองใจอายหวังได้เที่ยงกระพงกุหลาบเป็นสีด่างทองเมื่อยามแสงส่องจากดวงสุริยามแรงคำลงน้ำสาน บริข้าน้ำสันไหลผ่านใจดีไอเห็นผู้าเจ้าล้องลอยหมู่ปลาใหญ่น้อยลอยเล่นดีสิ้นแสงสุริสาสีแสงยา น้ำลงน้ำาูบริขารน้ำซานไหลผานใจดีเห็นผู้สาวจะล่องลอยหมู่ปลาใน้อยลอยเรีนดีสิ้นแสง พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะครับในช่วง10นาฬิกานายกยงตีผลเอกประยุจันโอชาและคณะนะครับก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศบูนไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการในระหว่างที่ 25-26 มีนาคมซึ่งก็จะมีการหาลรือนะครับ ตกลงทาสัญญากันในเรื่องของทางด้านการค้าการลงทุนทางด้านพลังงานการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้นทำเอ็มโอชูกันกับบลูนายนะครับแนตะ่ซึ่งบลูนายนี่เป็นประเทศที่มีน้ำมันอยู่มากนะครับนะอยู่เป็นประเทศเล็ ก, ลกๆอยู่ติดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ว่ามีน้ำมันมากและประชากรก็มีรายได้ในสูงนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลก นะครับเนะนื่องจากว่ามีความมัง่งคั่งทางด้านทรัพยากรามีการค้าขายได้ก็จะเป็นสิ่งดีและหลังจากนั้นก็คงจะบินไปคนะาราวะาศบของอดีตนายยงตีลีกุนชูของสิงคโปร์ทีถ่ถึงแก่สัญญกรรมกันไปแล้วก็มีการจัดพิธีรัฐพิธีใหญ่โตซึ่งเป็นรัฐบุตรของทางด้านสิงคโปร์คือนายลีกุนชูนี่ก็สร้างชาติสร้างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาจากประเทศ ที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาเป็นเกาะเล็กๆนะครับนะจนมาเป็นประเทศที่มีเป็นเจ้าเศ ร, รษฐกิจนะของอาเซียนนะมีความเติบโตสูงนะครับมีรายได้ต่อหัวของประชากรสูงนะครับติดอันดับต้นๆของของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีฝีมือในการบริหารงานมีคุณอุปการต่อสิงคโปร์นะเป็นรัฐบุรุษ นะครับแล้วก็นายจุกุนตรีสิงคโปร์ปัจจุบันก็เป็นลูกชายของนายลีคอนชูนะครับซึ่งเป็นนา ย, ยกสิงคโปร์ก็มีผู้นำจากหลายชาติแะครับที่จะเดินทางไ ป, ไปร่วมพิธีศพของรัฐบุรุษผู้นี้ซึ่งนายจุกุนตีเราก็คงจะต้องไปไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าจะจะเป็นอย่างไรนะครับนะในส่วนของความเคลื่อนไหวในส่วนของฝ่ายค้านนะครับนางสาวอนุตมาอมณฑลวิบัต หลักสาการกองรองเลขาธิการของเพื่อไทยก็ออกมากล่าวเห็นด้วยที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะทําให้เศรษฐกิจอาจจะฟื้นขึ้นมาเนื่องจากว่านักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเรานะครับถ้ามีการจัดการเลือกตั้งได้รวดเร็วพรรคการเมืองต่างๆก็คงจะเตรียมคนที่จะ ลงสมัครรับเลือกตั้งนะซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าจะจะจะเลือกตั้งได้นี่ก็คงจะต้องมีรัฐมนูญแล้วนะครับนะแล้วก็มีการมีกฎหมายลูกนะครับจะมีหลายขั้นตอนในการที่จะจะดูกันในในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยมีการรับสมัครครูผู้ช่วยนะครับซึ่งมีการเปิดรับสมัครกันทั่วประเทศมีคนมาสมัครมากเลยครับโดยเฉพาะบัณฑิตทางสายข้าสัสารสายคอบอในสา ข, ขาต่างๆ จากการเปิดเผยของดรกำบลันลอดใครเลยค่ะทการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะก็บอกว่าตอนนี้นี่นะครับมีการเปิดรับสมัครแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยปรนะจปีสองพร้อยาสิบแปดนะรับสมัครกันเป็นช่วงวันที่ 23- 29มีนาคมนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะในการรับสมัครวันแรกวันที่23มีนาคมมีผู้มาสมัครประมาณสอ0 0มคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนสูง นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็ได้แก่ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านปฐ ม, มวยัยสังคมศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยพละาศาึกษาไล่ไปตามตามลําดับเพราะฉะนั้นนีเปิดจํานวนมากแต่ว่าบัณฑิตที่อย่างว่างงานนี่ก็มีจํานวนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตร ง, งนี้นคงจะต้องมีการสอบแข่งขันก็ต้องขอให้โชคดีนะครับในทุกคนทันที่มีบุตรหลานอยู่ คงจะต้องให้บุตรหลานเนี่ยได้มาในส่วนในการที่จะมาอ่านหนังสือมาเตรียมตัวสอบให้ดีนะเพราะเป็นสําคัญแล้วครับถ้าบรรจุเป็นรนะาช ก, การได้ก็จะเป็นเป็นสิ่งทีด่ดีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะของทางด้านนะสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับเรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจากการเปิดเผยของดรกฤษณพงศ์กีรติกรรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกว่าพลเด็กประยทุทธ์นายจงตีนะครับได้มีการประชุมซูเปอร์บอร์ดนะครับมีการพูดคุยกันนะครับมีการเสนอแนะว่าเสนอให้มีการปรับบทบาทมหาเรงรัชภัฒนให้มันเน้นการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและด้านอาชีพให้มากขึ้นนะครับเพื่อรองรับตลาดแรงงานเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะ เน้นผลิตทางด้านคุศาสตร์ทางท่านศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มากซึ่งตรงนี้ในในส่วนนี้ก็ในส่วนทอนัทมุตรีก็ได้แจ้งไปยังประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาเรงราชภัฏนทั่วประเทศเสนอให้ราชภัฒนี้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการสอนที่เน้นสายสังคมนะครับมาเป็นสอนทางด้านเทคโนโ ล, โลยีที่อาจจะไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่จะสอนทางด้านสาขาทังด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน i.t. Computer, คอมพิวเตนะอาาร์นะครับนะหรือการแปรรูปอาหารนะครับวิทยาศาสตร์การอาหาระไดต่างต่างนะครับทางด้านอื่นนะครับนะและในอนาคตเนี่ยตามทางตลาดเนี่ยจะต้องการช่างเทคนิคเพิ่มมากขึ้นนะในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็จะเน้นผลิตเกี่ยวกับเรื่องของด้านอาชีพที่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างโลหะอะไรต่าง นี่ก็เป็นทางด้านอุดมศึกษาส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเก่าแก่นเนี่ยอาจจะเด่นทางด้านการวิจัยะระดับสูงกันต่อไปนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มมหาวิทยาลัยอ ย, อยู่สามกลุ่มก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการและด้านวิจัยก็เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าและจะมีกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนักปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม นะครับในขณะที่กลุ่มมหลาลัยราชภัฒก็จะเน้นอาจจะเน้นเริ่มเน้นทางด้านเทคโนโลยีทั้งท้านอาชีพเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของจังหวัดและก็ของท้องถิ่นตนเองนะครับนะเพราะฉะ น, นั้ตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการปรับตัวกันอย่างไรซึ่งก็ทั้งบทนี่ก็เพื่อเป็นนะผลดีต่อทั้งด้านตลาดแรงงานในในจังหวัดแล้วครับเด็กก็จะได้ หางานได้คล่องขึ้นนะครับนะก็ะตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตกงานของบัณฑิตนะครับถ้าเราเน้นมาทางด้านทางด้านอาชีพก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะยังขาดแคลนอยู่ในจำนวนมากเลยทีเดียวรัฐบาลนกำลังเร่งนะครับแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้นี่ค่อนข้างจะหล่อตัวจากการเปิดเผยของพลเอกชัดชัยสาลิกัญยะและมนตรีช่วยเกษตร ก็พูดถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศบอกว่าในช่วง2เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกของไทยติดลบประมาณ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่การการขยายตัวนี่ยังติดลบอยู่เพราะว่าตอนนี้นี่เราจะเร่งอย่างไรรัฐบาลที่คงจะต้องแก้ไขประเด็นตรงนี้นะครับนะให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนี่ชะลอตัวด้วยนะครับนะทำให้กําลังซื้อนี่ลดลงนะครับนะคือประเทศอื่นๆนีก่การส่งออกก็ลดลงเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นอินเดียลดลง 13% อ, อินโดนีเซียก็ลดลง1 1บเนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ไทยเรานี่จะทําอย่างไรที่จะปรับตัวเรื่องตัวการส่องออกให้มากขยายตัวให้มากยิ่งขึ้นนี่คงจะต้องเป็นโจทย์ที่ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ไปปรับปรุง และพยายามที่จะยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันสํำปะหลังข้าวโพดนะราคาอ้อยนะนะพืชอย่างพารานะซึ่งเป็นพืชหลักนะครับที่เกษตรกรปลูกมาก ท, ทำอย่างใหญ่ที่จะยกระดับราคามากยิ่งขึ้นก็จะดีนะครับเพราะว่าไรายได้ก็จะตกกับเกษตรกรนะก็จะได้มีเงินหมุนเวียนในเศษรษฐกิจเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวในที่สุดนะครับนั่นก็เป็น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 ทำไมมันง่ายเกินไปยังไม่เข้าใจตัวเองหัวใจก็มีแค่เพียงสี่ห้องไม่วายเดือบ ร, ร้อนรุมเราทุกคราวทุกใจสี่ห้องดวงใจหลายคนเบียดเสียกข้างในที่ยังไม่แน่นเกินไป ยังเหลือเพื่อไว้ที่เองไม่ใช่คุณแพ้เรื่องเจ้าชู้ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดมาเองทุกคราวข้างไปนี่ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับแต่เรื่องความรักรักจริงรักยิ่งจริงใจไม่ว่ากับสาวคนไหนผมให้ทั้งใจให้จนหมดตู้